จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีจิตใฝ่บุญใฝ่คุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25สิงหาคมพุทธศกรา2550เป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประกอบภารกิจทางศาสนา มาทำบุญตักบาตถวายสังฆทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่กำลังแห่งสติปัญญาและความภาคเพียรเพื่อดูแลรักษาใจให้อยู่อย่างสุขอย่างสบาย ให้เจริญให้ก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับเพราะใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรจะมีความสำคัญเท่ากับใจแม้แต่ร่างกายที่เป็นของรักของห่วง ก็ยังไม่มีความสำคัญไม่มีคุณค่าเท่ากับใจเพราะใจเป็นบ่อเหตุเป็นที่เกิดของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีก็ตามล้วนเกิดจากใจเพราะใจเป็นผู้สร้างเป็นผู้ผลิตแล้วใจก็เป็นผู้ รับผลดังนั้นใจจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญต้องดูแล ร, รักษาให้ผลิตให้สร้างแต่สิ่งที่ดีออกมาถ้าใจได้รับการดูแลแล้วด้วยธรรมะพ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ใจก็จะผลิตสิ่งที่ดีออกมาใจนี่แหละเป็นผู้สร้างความสุขและสร้างความทุกข์ด้วยการทำดีหรือทำชั่วคือคิดดีหรือคิดชั่วเมื่อคิดแล้วก็จะพูดดีพูดชั่วทำดีทำชั่วตามมา ใจเป็นผู้สร้างสวรรค์เป็นผู้สร้างนรกและเป็นผู้ที่ไปสวยบุญสวยกรรมในนรกและในสวรรค์ไปเป็นเทพเป็นพรมเป็นพระอริยเจ้าหรือไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกล้วนมีแต่ใจ ผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นและเป็นผู้สร้างให้เป็นด้วยการทำบุญหรือทำบาปนี่คือธรรมชาติคุณสมบัติของใจของเราการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะใจได้ทำความดีไว้ได้ทำบุญไว้ได้รักษาศีล ถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้รักษาศีลก็จะไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปตกทรกดังนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาใจแต่เนื่องจากว่าเราไม่รู้จักวิธีรักษาใจให้ถูกต้องให้ดีให้สุขให้เจริญให้เป็นมนุษย์ ให้เป็นเทพให้เป็นพรหมให้เป็นพระ อ, อริยะเจ้าเราจึงต้องอาศัยพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นวิธีที่จะทาให้ใจนั้นจเจริญรุ่งเรืองและรู้วิธีที่จะทาให้ใจนั้นเสือ่อมให้เสียให ตกลงไปสู่ที่ตำ่ำถ้าเราฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วน้อมเอามาปฏิบัติเราก็จะได้ดูแลรักษาใจของเราให้ถูกต้องถ้าเราไม่น้อมเอาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราปฏิบัติตามความรู้สึกของเราตามความคิดเห็นของเราแล้ว เราจะไม่สามารถที่จะสร้างความสุขและความเจริญที่แท้จริงให้กับใจของเราได้เนื่องจากว่าเราไม่รู้จักใจของเรานั่นเองแล้วใจของเราก็มีความหลงที่คอยบอกคอยสอนให้เราทำในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการกัน เช่นเราทุกคนอยากจะมีความสุขไม่มีความทุกข์แต่ความหลงจะสอนให้เราไปหาความสุขที่มีความทุกข์ตามมาความสุขที่ได้จากการทําตามความหลงนั้นไม่จีิรังถาวรและเมื่อหมดไปก็จะมีความทุกข์ตามมาเช่น ความหลงของเราจะสอนให้เราไปหลงกับการสร้างการสะสมลาบยศสรรเสริญสุขพวกเราทุกคนอยากจะรำ่ำอยากจะรวยกันอยากจะมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีตําแหน่งอยากจะให้คนสรรเสริญยกย่อง และอยากจะได้เสพกับรูปเสียงกลิ่นรสผลธระต่างๆโดยที่คิดว่าเมื่อได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วจะทำให้เรามีความสุขเรามีความเจริญซึ่งในสังคมของคนที่มีความหลงด้วยกันก็จะเห็นว่าเป็นความสุขและความเจริญ เวลาเราเห็นใครเขาร่ำรวยเวลาเขาได้ตำแหน่งสูงๆมีคนยกย่องสรรเสริญมีความสามารถที่จะหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆมาบำรุงบำเรอได้เราก็จะรู้สึกว่าเขากำลังจเจริญรุ่งเรืองเขากำลังมีความสุขแต่เรามองไม่เห็น ด้านที่ติดมากับความสุขเพราะเป็นเหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านด้วยกันเหรียญมีทั้งหัวมีทั้งก้อยฉันใดราบยศสร ะ, ะเสริญสุขก็มีทั้งเจริญและมีทั้งเสื่อมเวลาเจริญเราก็ดีอกดีใจกันเวลาเราได้เงินได้ทองมา ได้เลื่อนตำแหน่งได้รับการยกย่องสรรเสริญได้ไปเที่ยวได้ไปดูได้ไปฟังได้ไปดื่มได้ไปทำอะไรตามใจอยากของเราเราก็ดี อ, อกดีใจแต่เราไม่ได้มองถึงเวลาที่มันเสื่อมว่าจะเป็นอย่างไรเวลาที่เงินทองหมดไปเวลาลาบยศ ตำแหน่งหมดไปเวลาคำสรรเสริญเยินยอหมดไปกลายเป็นคำดินทาตําหนิติเตียนเวลาที่เราไม่สามารถไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพได้แล้วว่าเป็นอย่างไรเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ความเศร้าส้อยหนอยเหงา ความเสีย อ, อกเสียใจตามมานี่คือความหลงจะหลอกให้เราไปหาความสุขที่เป็นความทุกข์เสียมากกว่าคือเป็นยาขมเคลือบน้ำตาลนั่นเองเวลาอมเข้าไปก็หวานดีแต่หวานไม่นานพอน้ำตาลที่เคลือบ ยาขมนั้นละลายหมดไปก็เหลือแต่ความขมฉันใดความสุขที่เราได้จากราบยศสารเสริญสุขก็เป็นอย่างนั้นมันไม่จีรังถาวรมันมันอยู่ได้ไม่นานแล้วมันก็จางหายไปพอมันหายไปแล้วมันก็ ทิ้งความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวความอยากความต้องการให้กับเราแล้วถ้าเราไม่สามารถไปหามาทดแทนได้เราก็จะไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์มีแต่ความรุ่มอกรุ่มใจนี่คือวิธีของคนในสังคมของคนในโลก ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติไปตามความรู้สึกของตนและตามความรู้สึกของคนในสังคมที่มีความหลงครอบงำจิตใจเหมือนๆกันจึงมีความรู้สึกเหมือนกันมีความเห็นเหมือนกันมีการกระทำเหมือนกัน คือมีการสแสวงหารอบยศสร ะ, ะเสริญสุขเหมือนเหมือนกันแล้วก็มีความทุกข์เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กลุ้มอกกลุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันนี่คือวิถีทางของผู้ที่ไม่มีพระธรรมคำสอนเป็นเครื่องนำทางถ้าเรา ได้มีโอกาสได้เข้าสัมผัสกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีศรัทธาความเชื่อที่จะปฏิบัติตามเราก็จะได้พบกับความสุขอีกชนิดหนึ่งเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาแต่อาจจะเป็นความสุขที่มีความทุกข์มาก่อน เพราะการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่เป็นสิ่งที่ง่ายเหมือนกับการหาลาบยศสรรเสริญสุดการปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมันเป็นการทวนกระแสความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ในใจของเรากระแสความรู้สึกนึกคิดของใจเรานั้น มันไหลไปตามความโลภความโกรธความหลงความอยากได้ความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากมีอยากเป็นเหล่านี้ล้วนเป็นกระแสะที่ท<ม>วนกระแสะของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราละความโลภ ความโกรธความหลงให้เราละความอยากมีอยากเป็นจึงเป็นสิ่งที่ยากในเบื้องต้นเพราะต้องต่อสู้กันเหมือนกับการว่ายน้ําทวนน้ํานั่นเองเวลาว่ายน้ำทวนน้ํากับเวลาว่ายน้ําตามกระแสน้ํานั้นจะมีความต่างกันมากไล่ตางว่าย้ว่ายตามกระแสน้ํานี่มันแสนจะง่ายแสนจะสบาย แทบไม่ต้องออกแรงเลยเพียงแต่พยุงตัวให้ลอยอยู่กระแสน้ำมันก็จะพัดพาไปแล้วแต่ถ้าจะว่ายทวนกระแสน้ำนี้จะต้องใช้กำลังมากกว่าจะผ่านกระแสน้ำไปได้เช่นเราจะว่ายข้ามฟากแล้วน้ำกระแสน้ำมันไหลขวางทางเราอยู่เราก็ต้องว่ายด้วยกำลัง ต้องออกกำลังมากจนกว่าเราจะไปถึงฝากฟากฟา ง, งหน้าได้ฝั่งไปไปถึงฝั่งได้แต่พอเราถึงฝั่งแล้วเราก็สบายเราก็เดินทางต่อไปได้ชเช่นเดียวกันกับการประพฤติธปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน<ม>ก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นการทวนกระแสของ เลคือความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของเราท่านสอนให้เราละความโลภละความหลงด้วยการทำบุญให้ทานให้เราเสียสละเรามีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ก็ให้ออกมาช่วยเหลือผู้อื่นเอามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่เดือดร้อนที่ลำบาก แต่ใจของเราคือกิเลสนั้นมันจะคอยขัดขวางเพราะกิเลสก็คือความตนีความหวงความเสียดายความเห็นแก่ตัวมันจะพยายามสร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับเราไม่ให้เราอยากจะได้ทำบุญให้ทานแต่อยากจะให้เราเก็บเงินทอง ที่เรามีอยู่นี้ไว้แล้วอยากให้เราหามาเพิ่มให้มากยิ่งขึ้นไปทั้งๆที่เราก็ไม่ต้องอาศัยเงินทองเหล่านี้เพราะเรามีพอเพียงต่อการดูแลรักษาอัตภาพของเราอยู่แล้วแต่กิเลสมันจะไม่ยอมดังนั้นเวลาที่เราทำบุญทาทานแต่ละครั้งเราจึงรู้สึกว่า มันไม่ใช่ของง่ายต้องต่อสู้กับกิเลสที่มีอยู่ในใจแต่ถ้าเรามีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าและยอมที่จะฝืนคำสั่งฝืนความรู้สึกของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจพอเราทำไปได้แล้วเราจะมีความรู้สึกเบา อ, อกเบาใจมีความสุข มีความสบายใจขึ้นมาเหมือนกับเราได้ไว่ายน้ำข้ามฟากไปแล้วเราได้ไว่ายน้ำทวนกระแสน้ำไปแล้วนี่คือการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องออกกำลังจะต้องใช้ความภาคเพียรจะต้องมีขันติคือความอดทนจะต้องมีวิริยะ ความอดกลัน้นต้องมีความเสียสละถึงจะสามารถฟันฝ่ากระแสของกิเลสตัณหาไปได้และเมื่อเราสามารถฟันฝ่าไปจนพ้นจากกระแสของกิเลสตัณหาแล้วก็จะไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจไม่มีอะไรมาสร้างความ ทุกความไม่สบายใจพอใจได้ไปถึงปรมางสุขขังคือพระนิพพานแล้วนั่นเองไปด้วยการประพฤติธปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความภาคเพียรด้วยขันติความอดทนความอดกลั้นด้วยการเสียสละดังนั้นจึงขอให้เรา อย่าท้อแท้เวลาที่เราคิดว่าเราอยากจะทำบุญขอให้เราเรีบทำทันทีไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรมาขวางกั้นหรือไม่ก็ตามขอให้เราทำเลยอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเพราะนี่ก็เป็นอุบายหรือเป็นเป็นกลของกิเลสอีกอย่างหนึ่ง ที่จะคอยหลอกให้เราไม่ไม่ไปทำบุญทาทานดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสเช่นเราคิดว่าเราอยากจะทำบุญก็รีบทำเสียหรือถ้ามีกรณีพิเศษเช่นวันเกิดก็ดีหรือมีวันสำคัญอะไรก็ดีที่มี มีเหตุที่เป็นเหตุให้เราต้องไปทำบุญก็ควรไปทำเสียอย่าปล่อยให้เหตุการณ์อย่างอื่นทุระอย่างอื่นมาหลอกให้เราไม่ไปทำจนที่จนเราไม่ได้ไปทำบุญขอให้เราคิดเสมอว่าการกระทำอย่างอื่นนั้นไม่ได้เป็นการ สร้างความสุขและสร้างความเจริญให้กับเราอย่างแท้จริงเพียงแต่หลอกให้เรามีความสุขมีความเพลิดเพลินไปวั น, ว, นวันหนึ่งเท่านั้นเองแต่เราไม่รู้ว่าเรายังต้องเดินทางต่อไปคือใจของเรายังต้องเดินทางต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าตราบใดใจของเรายังไม่ได้กําจัด ความโลภความโกรธความหลงไม่ได้กําจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจกิเลสตัณหานี่แหละจะเป็นผู้ที่จะดึงเราให้ไปเกิดต่อให้เราไปเกิดที่สูงบ้างที่ต่ําบ้างถ้ากิเลสหลอกให้เราไปทําบาปทํากรรมได้กิเลสก็จะเดึงให้เราไปสู่ที่ต่ํา ไปสู่อบายแต่ถ้าเราไม่หลงกลของกิเลสถึงแม้เรายังมีความโลภความอยากความต้องการอยู่แต่เราเชื่อว่าการทำบาปนี้จะมีผลเสียหายตามมาไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้เราก็จะไม่ทำบาปจะพยายามทำ ทำให้ถูกต้องคือทำด้วยความสุดจริตเช่นไม่ว่าอยากจะได้อะไรหรืออยากจะเป็นอะไรก็จะไม่หามาด้วยการฆ่าผู้อื่นไม่หามาด้วยการลักทรัพย์ไม่หามาด้วยการประพฤติผิดประเวณีไม่หามาด้วยการพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวงเราจะหามาด้วยความสุดจริตด้วยสติปัญญา ด้วยความขยันหมั่นเพียรเช่นเราอยากจะมีเงินมีทองเราก็ไปทํางานทํางานที่สุดจริญแล้วก็รับเงินเดือนมาหรือว่าเราทํามาค้าขายซื้อข้าวซื้อของมาแล้วก็เอาไปขายเราก็มีผลกําไรก็เป็นรายได้ขึ้นมาเมื่อได้เงินได้ทองแล้ว อยากจะได้อะไรอยากจะซื้ออะไรเราก็เอาไปซื้ออย่างนี้ถึงแม้ว่าเรายังต้องไปเกิดใหม่อีกเพราะเรายังมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่แต่เวลาเราไปเกิดเราจะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรนเป็นอสุรกายหรือไปตกนรกเพราะเรา หามาด้วยความสุจริตนั่นเองเหตุที่ทําให้สัตว์โลกที่ต้องไปเกิดเป็นเด ร, รัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปตกนรกนั้นก็คือความโลภความโกรธความหลงและความกลัวนี่คือเหตุที่จะทําให้สัตว์โลกไปทําบาปทํากรรม ถ้าทำบาปทำกรรมเพราะความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเวลาตายไปก็จะต้องไปตกนรกถ้าทำบาปทำกรรมด้วยความโลภคือไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอมีมากน้อยเพียงไรก็ยังอยากได้อีกพวกนี้ตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตถ้าทำเพราะความหลงความไม่รู้ เช่นมีความต้องการที่จะมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองก็เลยไปเป็นเป็นคนจับปลาอย่างนี้หาปลามาแล้วก็เอาปลานี้มาค้ามาขายเพื่อที่จะเลี้ยงดูหรืออาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือลักทรัพย์ก็ดี องนี้เมื่อตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะทำไปโดยไม่รู้ทำไปด้วยความหลงคิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นอาชีพเราต้องนักษาชีวิตของเราด้วยการฆ่าผู้อื่นเช่นไปยิงนกตกปล า, าเพื่อเอามาทำเป็นอาหารอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นการทำบาปทำกรรม ด้วยความหลงเมื่อทำไปแล้วตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานและถ้าเราทาบาปทำกับเพราะความกลัวเช่นกลัวว่าคนนั้นเขาจะมาทำร้ายเรา<ม>คนนั้นเขาจะ ม, มาเบียดเบียนเราเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยการทำร้ายเขาก่อนถ้าทำอย่างนี้ ตายไปก็จะไปเกิดเป็นอสุรกายนี่คือเหตุที่จะทำให้ไปเกิดในอบายคือความโลภความโกรธความหลงและความกลัวเพราะเมื่อโลภโกรธหลงและกลัวแล้วก็ไปทำบาปทากรรมแต่ถ้าเรามีความโลภความโกรธความหลงและความกลัว แต่เราไม่ไปทาบาป ท, ทำกรรมเรายอมเสียชีวิตของเราอย่างนี้ถ้าเราตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเช่นเราไม่มีอาหารกินแต่เราไม่ยอมไปฆ่าผู้อื่นเช่นไปยิงนกตกปลาเพื่อหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราแล้วเราอดตายไปเราก็ไม่ต้องไปตก เราก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือจะได้กลับหรือจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นพระอริยเจ้าก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของเราว่าเราหักห้ามจิตใจของเราได้มากน้อยเพียงไรถ้าเราหักได้จนกระทั่งไม่มีความโลภความโกรธหนองเหลืออยู่เลย เราก็ไปถึงพระนิพพานได้เลยดังนั้นจึงไม่มีเหตุที่เราจะต้องทำบาปทำกรรมไม่ว่าจะเป็นกรณีใดทั้งสิน้นไม่ว่าจะโลภจะโกรธจะหลงหรือจะกลัวก็ตามเราไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมเช่นเวลาเรากลัวอะไรมากๆเราก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าไปในใจของเรา สวดมนต์ไปภายในใจของเราอย่าส่งใจไปหาสิ่งที่กลัวยอมตายไปกับการสวดมนต์ยอมตายไปกับการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รับรองได้ว่าถ้าเราตายไปเราจะได้ไปเกิดใหม่ที่ดีกว่าเก่าเราจะไม่ต้องไปเกิดในที่ต่ำแต่ถ้าเราเกิดความกลัว แล้วเราก็ไปทำลายสิ่งที่จะทำให้เราทาให้เรากลัว mm hmm. เช่นไปฆ่าเขาอย่างนี้ถึงแม้เรายังอยู่ต่อไปได้อีกแต่ก็อยู่ไปได้ไม่อีกกี่ปีแต่พอตายไปแล้วก็จะต้องไปเกิดในอบาย mm hmm. ดังนั้นจึงขอให้เราดูแลรักษาใจของเราให้ดีด้วยการประพฤต <c oughs> ปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำความดีละบาปและกำจัดความโลภความโกรธความหลงพยายามทำความดีเรื่อยๆเช่นวันนี้เราก็มาทำความดีกันเรามาทำบุญตัก บ, บาตถวายข้าวของถวายเงินถวายทองเรียกว่าเป็นการทำความดี วันนี้เราก็มาระบาปกันด้วยการมารักษาศีลละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวงเสพสุราอย่างเมาวันนี้เราก็มากำจัดความโลภความโกรธความหลงกันด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการเจริญเมตตา คือให้อภัยไม่จองเวงจองกรรมกับผู้ที่ทำให้เราเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาแทนที่เราจะไปทำร้ายไปจองเวงจองกรรมเราก็ให้อภัยยกโทษเขาไปเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาที่จะ ไปกำจัดความหลงได้ความหลงที่เห็นว่าความสุขนั้นอยู่ที่การแสวงหาราบยศสรรเสริญสุขความจริงไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความทุกข์ความสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากการทําความดีละบาปกําจัดความโลภความโกรธความหลงนี่คือปัญญา ที่จะช่วยกำจัดความหน่งให้หมดไปจากจิตจากใจของเราถ้าเราบำเพ็ญไปไเรื่อยๆปฏิบัติไปไเรื่อยๆใจของเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจะมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆจะมีความพอใจมีความยินดีที่จะทำความดีที่จะละบาป ท, ที่จะกำจัด ความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปเมื่อทำไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเราก็จะทำสำเร็จเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ทำสำเร็จได้บรรลุถึงพระนิพพานได้ไปถึงความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมสลายเป็นความสุขที่เป็นไปอย่างนั้นตลอดเวลาตลอดอนันตการเพราะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไปเมื่อไม่ไปเกิดก็ไม่ต้องไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกับการพัดพรากจากกันนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงที่เราจะได้รับ ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนแล้วปฏิบุริปฏิบัติตา่างสักวันหนึ่งเราก็จะได้พบกับความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้พบได้สัมผัสแล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดอนันตการจึงขอให้ท่านให้ความสนใจ ต่อการดูแลรักษาใจด้วยการเข้าวัดอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วชีวิตของท่านก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายอยู่ไกลห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายทั้งหลายจึงขอฝากเรื่องการเข้าวัด เพื่อดูแลรักษาใจให้ท่านได้นำไปพิเตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนไตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบางเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย